อติชาตบุตรหนึ่งอนุชาตบุตรหนึ่งอวชาตบุตรหนึ่งนั้นคำว่าอติชาตบุตรก็คือบุตรที่เกิดมาเหนือบิดามารดาอนุชาตบุตรก็คือบุตรที่เกิดมาแล้วก็เท่าเทียมมารดาและบิดาส่วนอวชาตบุตรก็คือเป็นบุตรที่เกิดมาไม่เท่าบิดามารดา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 คือพ่อแม่เนี่ยไม่ถึงไตรสรณะคมและไม่มีสินหา้าส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระงรงว่าเป็นสรณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผู้เทศการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีธรรมะอันงามดูก่อนพี่สุทั้งหลายอติชาตบุตรเป็นอย่างนี้แล้ว หือพ่อแม่นี้ไม่มีสราระคมเลยไม่มีศีลเลยแต่บุตรเหล่านั้นเป็นผู้มีไรสราระคมและมีศีลอย่างนี้เนี่ยเป็นลูกที่เหนือพ่อเหนือแม่โดยโด้วยอะไรโดยคุณธรรมเหนือพ่อเหนือแม่โดยคุณธรรม อ, อีกอีกสำนวนหนึ่งเรียกว่าพิชาติบุตรแต่ตรงนี้อติอตินี้อภิกัตินี้เป็นอุปสรรคเหมือนกันอภินี่แปลว่ายิ่งอติก็แปลว่ายิ่งเหมือนกัน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 พระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงามดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอนุชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหลก็คือเท่ากับพ่อเท่ากับแม่นั่นแหละแต่ก็เป็นผู้เดินตามก็เลยเรียกว่าอนุชาตบุตรคุณธรรมนี้เท่ากันแต่ว่าเป็นผู้ที่เจริญรอยตามพ่อตามแม่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 ส่วนบุตรของมารดาบิดาเหล่านั้นไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นสารณะไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเทศการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้ทุศีลคำว่าทุปแปล ว, ว่าไม่มีไม่มีศีนเนี่ยมีธรรมะอันลามกดูก่อนที่สุทั้งหลายอาวชาตบุตรเป็นอย่างนี้แหล ไอ้คําว่าทุศีนเนี่ยนะทุเนี่ยแปลว่าไม่มีก็เหมือนกับทุ ป, ปัญญาทุปัญญาไอ้ทุตัวนั้นเนี่ยแปลว่าไม่มีปัญญาไม่ได้แปลว่ามีปัญญาน้อยนะแปลว่าไม่มีปัญญาตรงนี้ก็เหมือนกันทุศีลก็คือไม่มีศีนเลยอย่างเงี้ยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุตรสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ถ้าเป็นภาษาบาลีจริงๆจะเป็นกรอนนะอ่าเรียกว่าเป็นคํากรอนภาษาบาลีเนี่ยมันจะเสียงสัมผัสกันเสียงสูงเสียงต่ำครุลหุสัมผัสกันแต่เป็นไทยนี่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สัมผัสเป็นกรอนที่ไม่สัมผัสไปและบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมปรารถนาะอนุชาตบุตรไม่ปรารถนะอาอวชาตบุตรบัณฑิตนะก็คือพ่อแม่ที่เป็นบัณฑิตหรือบัณฑิต ท, ทั่วไปผู้รู้นะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอ่ะ เพราะว่าอาวชาตบุตรนี้ซึ่งเป็นผู้ทําลายตระกูลส่วนบุตรเหล่าใดาเป็นอุบาสกบุตรเหล่านั้นแลเชื่อว่าเป็นบุตรในโลกนะบุตรจริงๆก็ต้องบุตรเป็นบุตรที่เป็นอุบาสกอะเนาะบุตรเหล่านั้นมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลผู้อบอ้อมอารีรู้ความประสงค์ปราศจากความตรนีย่อมรุ่มเรืองในบริษัททั้งหลายเปรียบเหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น เนื้อความแม่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แหละในปุตตสูตรนี้ข้อความที่เป็นพุทธพจน์ก็มีเท่านี้นี่กล่าวถึงแค่อนุชาตบุตนรนะว่าเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายปรารถนาอนุชาตบุตรเ <c oughs> จริญพรก็อภิ ช, า ต, ชาติชาตบุตรไม่ต้องกล่าวถึงใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องกล่าวถึงเพราะว่าเหนือพ่อเหนือแม่อยู่แล้วเนี่ยถ้ายังงี้ก็บัณฑิตก็ยิ่งต้องการใหญ่แล้ว แต่อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้พ่อให้แม่ให้แม่ดีด้วยอะ่ะเสร็จแล้วลูกจะได้ดีตามอะ่ะนะที่ลูกดีแล้วก็พ่อแม่ก็ย่ําเปอย่างนั้นก็ก็ไม่ค่อยดีนั่นะแหละบางทีเนี่ยถ้าหากว่าลูกดีแล้วพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยบางทีลูกก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะนั่นะแหละทําใจลําบากเหมือนกันคือเร <c oughs> าเราเห็นว่าข้อความบางข้อความเนี่นะความจริงพระองค์ตัดว่ายอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยนะจะทาน ถึงแม้ว่าคราวนี้ถามว่าทํำมาจึงไม่กล่าวถึงอัติชาติตบุญก็เพราะว่ามันต้องเกี่ยวถ้าพูดถึงอัติชาติบุญต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ด้วย<พ>ใช่ไหมครับคือผู้นี่สูตรนี่นะสูตรสูตรของพ่อแม่เพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกเท่าตนนั่นแหละแต่ที่พ่อแม่อยากให้ลูกดีกว่าตนจริงๆเนี่ยนะพ่อแม่นั้นก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกัน นะพ่อแม่เป็นค า, ารวาสแต่ส่งเสริมอยากจะให้ลูกบวชจนตายเนี่ยเหมืนหายากนะนั่นะแหละมันพ่อแม่ก็ส่วนใหญ่ก็อยากให้มาเจริญรอยตามนั่นแหละมันก็เลยต้องการอนุชา ต, ตบุตรซะส่วนใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นอติชาตบุตรแล้วก็คือแม้แต่บุตรเหล่านั้นก็ยังไม่ต้องมาช่วยสงเคราะห์พ่อแม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองเป็นอนุชาตบุตรอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้มาศึกษาในเรื่องของไตราสารณคมเลยพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณความดีเกินหมู่สัก์ที่คนทั้งหลายรู้จักกันทั่วแล้วว่าพุทโธเพราะหมายเอาพระคันธสันดามที่ทรงอบรมแล้วด้วยการบรรลุวิโมกอันยอดเยี่ยมมีพยานในธรรมะทั้งมวลที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นนิมิต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 และถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ชำนาญในผลธรรมทั้งหลายจึงสรงพระนามว่าพุทโธตรงนี้นี่เป็นความหมายหรืออัตะของคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณความดีเกินหมูสัตว์ทวนอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะพระคุณนี่คืออะไรบ้างพระคุณนะหนึ่งการุณาที่คุณสองปัญญาคุณ และบริสุทธิ์ที่คุณนั้นในหนึ่งอีกในหนึ่งนะพระองค์นั้นเป็นผู้มีศีลคุณสองสมาธิคุณสาปัญญาคุณสี่วิมุตติคุณห้าวิมุตติยานัศนะคุณพระคุณเหล่านี้เนี่ยเหนือสัตว์ทั้งหลายในบรรดาศีลทั้งหลายแหล่เนียไม่มีผู้ใดที่จะมีศีลเท่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ศีลเนี่ยสำเร็จได้ด้วยหฮเร่และโอตะปะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นสุดยอดของหฮร่โอตะปะบุคคลเพราะฉะนั้นในบรรดาศีลทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงมีมากที่สุดศีลบางอย่างสําเร็จด้วยศรัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นบุคคลที่มีศรัทธามากที่สุดก็คิดดูนะถ้าสมาทานจะให้ทานเนี่ยก็ให้แบบมอบความอะ่ะไม่ได้คิดจะให้เออเดี๋ยวเหลือไว้หน่อยเดี๋ยว่าทานเองบ้างอะไรบ้างแต่คนที่แบบ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นน่ะคิดว่าจะให้ก็ให้แบบมอความจะได้ว่าทุ่มไปเลยสุดตัวเลยตายเป็นตายกล้าที่จะเอาผ้าพันตัวเองแล้วจุดไฟเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าได้เขาเขามีความกล้าขนาดนั้นโดยไม่เหลือเลยซึ่งมันเกินที่มูสัตว์ทั้งหลายจะคิดตามได้มูสัตวธรรมดาเนี่ยคิดตามไม่ได้เลยนะว่าเอ๊มีคนกล้าคิดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคนความดีทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเนี่ยจึงเกินคนทั่วไป แม้แต่พระวรากายของพระ อ, องค์นะถ้าหากว่านั่งในบรรดาหมู่มนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยรูปประกายเด่นที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหมดเลยงั้นก็สู้เทวดาไม่ได้เทวดามานั่งห้อมล้อมหมดพระพุทธเจ้าเด่นที่สุดในหมู่เทวดาทีนี้แม้แต่พรหมเนี่ยมันนั่งพระพุทธเจ้าเด่นที่สุดในหมู่พรหมแค่รูปประกา ย, นยในเรื่องของสติปัญญานั้นอะ่ะจึงไม่ต้องห่วง ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นจะมีสติปัญญาขนาดไหนพระอินเนี่ยนะชั่วแป๊เดียวเนี่ยพระองค์สามารถคิดได้เรื่องเป็นพันๆ พ, พ, พระพุทธเจ้านี้พระองค์เป็นสักกะสักกาธิติสักกะพระองค์เนี่ยเป็นสักกะเหนือสักกะเพราะเป็นาศาสดาของท้าวส ก, กะอีกครั้งหนึง่งเป็นอาจารย์ของท้าวสกกะนัะ่นแหละท้าวสกกะไม่ต้องไปปฏิสนธิในภพอื่นไม่ต้องไปสู่อาบายก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่ครั้งหนึง่งพระอินเนี่ยใกล้จะจุติ เดือดร้อนใจสิตัวเองอย่าตายเพรอเดือดร้อนใจก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็แสดงธรรมพระอินทร์ก็บรรลุธรรมสามารถดูได้ในสักกะปัญหาสูตรทีคณีกายพระอินทร์เนี่ยบรรลุธรรมเพราะพระผู้มีพระภาคนั้นพระอินทร์เนี่ยเทียบเท่ากับคนวัดนะคนวัดก็คือคนที่ทํางานในวัดอะช่วยเหลือพระสงฆ์กิจการงานหมัยนี้ก็คือพวกอุบาสก พวกโยมที่เข้าไปช่วยงานวัดอ่ะพระ อ, อินนั้นตำแหน่งของทว่าไปก็เท่านั้นเองคนวัดก็ว่างั้นส่วนพรมพรมนี้มีค่าเท่ากับสัมมณินคอยอุ้มบาศส่งเน่ยคอยประเคนบาศคอยประเคนนา้าถวายนา้ําบ้วนฟันไม้สีฟันน้ําบ้วนปากแก่พระผู้มีพระภาคดังนั้นมหาพรมเนี่ยเท่ากับเป็นคนวัดเป็นสัมมณิน นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีคุณความดีเกินหมู่สัตว์ทั้งหมดพระองค์จึงกล่าวว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์มีเท้ามากก็ตามตลอดจนถึงอรูปปฐมขึ้นเชื่อว่าสัตว์สัตว์ใดๆที่จะเสมอพระพุทธเจ้าไม่มีถามว่าทำไมพระองค์จึงถามว่าพูดอย่างนี้อวดไหย คิดดูนะว่าเวลาสั่งสมบุญมาเนี่ยเรียกว่าบุญยสัมภาระที่พระองค์สั่งสมมากว่าจะมาถึงตำแหน่งนี้เนี่ยมันเท่าไหร่เวลาอย่างน้อยๆเนี่ยปัญญาที่กะนะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจใช่ไหมอย่างคําว่าพระพุทธเจ้านั้นอะ่ะพระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัจเจกพรพุทธเจ้า ทีนี้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะสร้างบารามีเนี่ยทางใจทางวาจา aces, และก็กายวาจารพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสามสามชนิดด้วยกันสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าปัญญาทิกะสัมมาสัมพุทธเจา้าประเภทที่สองเรียกว่าศรัทธาทิกะสัมมาสัมพุทธเจา้าประเภทที่สามเรียกว่าวิริยาทิกะสัมมาสัมพุทธเจา้า ปัญญาทิกะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความคิดอย่างเดียวว่าพุทโธโหโมิอนาคเตกาเลนทาบุญอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตมีความคิดอย่างเดียวอย่างเี้ยเจดอสงไข่นะถ้าหากว่าพระสัทธาทิกาเนี่ยคิดคูณสองท่านคิดในใจของท่านอย่างเดียวนี่14อาสงไขย ถ้าพระวิริยาที่กาเนี่ยนะคิดในใจอย่างเดียวนี่ยี่สิบแปดอสศงไขอสงไขหนึ่งนานไหมตัวเลขเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ห้อยท้ายร้อยสี่สิบตัวเรียกว่าหนึ่งอสศงไขาถามว่าเมื่อวันก่อนโยมคนหนึ่งเขามาถามว่าไอ้เลขหนึ่งมาตั้งเลขศูนย์ห้อยร้อยสี่สิบตัวเนี่ยมันเป็นมารของอะไร เป็นมากของกลับกลับอย่างนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ากลับหนึ่งเนี่ยเ ท, ท่าวนนะกลับหนึ่งเนี่ยยาวไหมยาวเนาะเขาบอกว่าเหมือนกับภูเขาหินสูงแข่งทึบเนี่ยร้อปีเอาผ้าเนื้อละเอียดมาปักครั้งหนึ่งร้อยปีปักครั้งหนึ่งมันเต้นเสมอแผ่นดินเมื่อไหร่ก็บอกภูเขานี่มันเตียนก่อนกับหนึ่งยังไม่หมดเลยก็คิดดูถ้าหากว่าศพเราศพเดียวนะในกลับกับเดียวเนี่ย ศพของเราคนเดียวเนี่ยสูงยิ่งกว่าภูเขาขั้นกับหนึ่งจะยาวนานขนาดไหนนั่นแหละหรือหลุมกว้างลึกสิบหกกิโลเมตรร้อยปีเนี่ยหย่อนมเมล็ดผักกาดไปสักเม็ดหนึ่งร้อยปีเม็ดร้รอยปีเม็ดเนี่ยหลุมเต็มก่อนกับยังไม่สิ้นอ่าหนึ่งอย่างงี้หนึ่งกับสองกับสามกับแล้วก็กลับอย่างงี้เนี่ย เลขศูนย์เลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ห้อยท้ายร้อยสี่ิบตัวอย่างเงี้ยเรียกว่าหนึ่งอสงไข่อสงไขแปล ว, ว่ามันนับไม่ได้ลนะแต่สมัยนี้มามีวิธีนับใช่ไหมเรียกล้านจุดล้านอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยคำนวณได้หมดสมัยนี้คำนวณได้แต่สมัยก่อนเนี่ยเลขศูนย์ร้อยสี่สิตัวนี่ก็ถือว่าเต็มทีและมันมีแสนแสนเสร็จก็ล้านโกรดมีประกดจนถึงหนหุด พวกแกว่าสังขยาเนี่ยการนับนะก็กว่าจะถึงไอ้อสงไข่เนี่ยแปลว่านับไม่ได้มันยาวขนาดนั้นเพรา ะ, ะนั้นคิดในใจอย่างเดียวอย่างเดียวว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างเดียวเนี่ยคิดอย่างเนี้ยตามสมควรแก่พระพุทธเจ้าอางค์นั้นนัถ้าหากว่าอย่างพระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยคิดในใจอย่างเดียวเฉยๆเนี่ยเจ็ดอสงไขยพอครบเจ็ดอสงไขยทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า กล่าวเป็นวาจาออกมาว่าด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอจงเป็นไปเพื่อเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทําบุญและปรารถนาอยู่อย่างนี้ก้าวอสงไขรวมเบ็ดเสร็จสิบหกอาศงไขแล้วเสร็จจึงจะได้รับพุทธธรรมนายจากพระผู้มีพระภาคองค์ใดองค์หนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ได้รับพุทธธรรมนายตอนที่เป็นสุเมศบัณฑิตหรือสุเมศดาบทตอนนั้นเนี่ยทำบุญมาปรารถนามาอย่างนี้แล้วอะ่ะ 16อสงไขยพ ร, พระผู้มีพระภาพจึงทรงพยากรณ์ว่าบัณฑิตผู้นี้อีกสี่อสงไขยแสนกลับข้างหน้าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าชีวิตของสุเมธบัณฑิตนั้น่ะในวันที่ได้รับพุทธธรรมนายนะถ้าท่านปราถนาจะเป็นพระอรหันต์ท่านฟังคาถามไม่ต้องถึงสองบรรทัดท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลย แต่ท่านบอกว่าปล่อยอรหัตมรักที่อยู่ในเนื้อมือเนี่ยปล่อยออกไปแล้วก็บอกว่าประโยชน์อะไรที่ชายอย่างเราเนี่ยนะจะข้ามฝั่งไปแต่เพียงผู้เดียวไหมเราตรัสรู้แล้วเราจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยก็ยอมปล่อยอรหัตมรักษันนั้นไปแล้วก็สั่งสมบารมีอีกสี่อสงไขยแสนกับจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมแล้วก็ย0สิบอสงไขยเศษอีกแสนกับอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะพระสมณะโคดมแต่ถ้าพระศีอริยเมตยะเนี่ยนะจะอยู่ข้อสุดท้ายอยู่วิริยาธิกะพระศีอานนั้นตั้งความปรารถนาในใจอย่างเดียวเนี่ยอสงไขยเปล่งวาจาทาบุญอีกส6สอสงไขย ได้รับพุทธธรรมนายเมื่อสิบหกอสงไขยที่แล้วเนี่ยจึงรวมเป็นแปดสิบอสงไขยของพระพระสีอานไหมพระสีอานเนี่ยเป็นวิริยาที่กะสร้างบา ร, รมีเน้นที่วิริยะเน้นที่ความเพียรแต่พระผู้มีพระภาคสบพระนามวัสมณะโคดมเน้นที่ปัญญางนั้นผู้ที่มีปัญญามากจึงห่างกับความเพียรมาก แต่ว่าผลก็ย่อมแตกต่างกันในยะแห่งรูปร่างกายอายุการพระผู้มีพระภาคขนามะโคโดมเนี่ยเกิดมาในยุคคนอายุร้อปีพระศิอาเนี่ยเกิดในยุคคน8ป0 0 0ื่นปีห่างกันเนยอะแต่ว่ารูปร่างกายเป็นต้นแตกต่างกันอายุแตกต่างกันแต่ไม่แตกต่างกันโดยมหาุริศลักษณะไม่แตกต่างกันโดยสติปัญญา ไม่แตกต่างกันโดยพระมหากรุณาเขบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นแล้วก็คนทั่วไปก็ไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่มีคุณความดีเนี่ยเกินสัตว์ทั่วไปที่จะจะคิดได้นะเขบอกว่าแค่คิดเนี่ยสัตว์ก็ไม่รู้แล้วว่าพระโพธิสัตว์ท่านคิดยังไงเพราะว่าพระองค์กล่าวไว้ในสุวิทุรสูตรอังคุตระนิการจตุการนิบานว่า มหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นว่าห่างกันท้องฟ้ากับแผ่นดินว่าห่างกันแต่ธรรมะของศรรัตว์บุตรกับอาสัตว์บุตรเนี่ยมันห่างกันยิ่งกว่านั้นอีกนั่นผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความดีเกินที่สัตว์ทั่วไปเขาจะคิดกันแต่ถ้าคนทั่วไปนะสมมติถ้าเจออาหารอิ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดทํำยังไงฉันจะอิ่มทุกคนหิวหมดเลยแต่ถ้าโพธิสัตว์เห็นปุ๊บเนี่ยท่านคิดว่าทำยังไงสัตว์ทั้งหมดจะอิ่มทุก นั่นแหละท่านจะคิดในลักษณะนี้ซึ่งแนวความคิดที่สะสมอบรมมาเนี่ยจึงแตกต่างกันมากอันขันธสันดานที่อบรมมาอย่างนี้เนี่ยอบรมด้วยอะไรอบรมด้วยพุทธกัลกะธรรมพุทธกรลกะธรรมก็คือบารมีที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีกี่อย่างบารมีสมอรูปยอดเลยก็คือส0สบทัศสาสบทัศมาแบ่งออกเป็นสามชั้น ชั้นธรรมดาเรียกว่าบารมีชั้นสูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเรียกว่าอุป ป, ปารมีแล้วชั้นสุดยอดเรียกว่าปารมัทธารมีแล้วปัญจ่ามห า, ราบริจาคบริจาคไอ้ข้าอย่างบริจาคอวัยวะสรีระบริจาคชีวิตบริจาคบุตรและภรรยานั่นแหละอ่าซึ่งถ้าใครต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณสามารถที่จะดูได้ในเช่น ใหญ่ๆเลยก็คือจริยาปิดกหรือคมภีร์พุทธวงศ์นะจริยาปิดกกับพุทธวงศ์ใหญ่ๆส่วนที่เหลือก็มีที่อื่นอีกประปลายทั่วไปมีเป็นพระสูตรคัดๆเอาไว้เยอะเหมือนกันอ่าถ้าหากว่าผู้ใดต้องการก็มาบอกได้ว่าอยากมีข้อมูลพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปหาที่ไหนมาถามเนี่ยจะบอกอะนะซึ่งเอามาว่าตรงนี้โหที่มาทั้งหมดเสียเวลาเยอะ พระขันทสันดานที่ขันทสันดานก็คือนามขันสีนั่นเองที่ทรงอบรมอย่างนี้มาเนี่ยความคิดแบบนี้ที่สืบต่อเนื่องสั่งสมบารมีอย่างสืบเนื่องจนได้บรรลุวิโมกอันยอดเยี่ยมวิโมกในที่นี้ก็คือพนิพานในยาบนบรรลุด้วยอรหัตตมัก อรหัตตมรรคที่พระองค์ทรงบรรลุวิโมกนั้นอ่ะเป็นอรหัตตมรรคที่ไม่สามัญเหมือนทั่วไปถ้าหากว่าพระอรหันตสุขาวิปัสสกเนี่ยท่านมาได้อรหัตตมรรคแต่ท่านไม่มีฤทธิ์อย่างอื่นหรือว่าบางท่านได้ปฏิสัมพิทาสีหรือบางท่านถึงสาวกบารมียาณบางท่านถึงปัจเจกโพธียาณแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนกับ การอภิเสกใครคนใดคนหนึ่งให้เป็นพระราชาอาณาบริเวณทุกตารางนิ้วถือว่าเป็นของพระราชาเพราะฉะนั้นเคยได้ยินนะเขาเรียกข้าราชาการข้าก็คือคนรับใช้อะข้าราชาการก็คือคนรับใช้พระราชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าทุกอย่างเนี่ยแม้แต่จะพูดกับในหลวงไงไหมฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทเทียบได้แค่ฝา่าเอ่อฝุ่นฝุ่นรอยเท้าเท่านั้นเองนะประสบนิกรเท่ากับฝุ่นรอยเท้าเท่านั้นเอง คือว่าทั้งหมดนี้เป็นของในหลวงสั่งฆ่าก็ได้สั่งเป็นก็ได้คือถ้าโดยอำนาจทั่วไปจะมีขนาดนั้นพระพวกมีพระภาคนั้นเป็นเป็นะเป็นธรรมราชาพระองค์นี้อภิเสกโดยธรรมแต่ธรรมราชาพระองค์นี้ก็มีธงเหมือนกันมีธงชัยคือมีโลกุตระธรรมเป็นธงแล้วมีเสนาบดีก็คือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมีขุนคลังก็คือพระอนุน์ พระ อ, องค์เนี่ยเนรมิตรก็เป็นธรรมราชาเป็นผู้ทรงธรร ม, เมนเถอะแล้วพระ อ, องค์นั้นประกอบด้วยยานต่างๆเช่นทศพลยานอนาวารณะยานจตุเวสารชยานแล้วก็ยานอีกทั่วไปอีกเจดสบสามยานั่นแหละแล้วก็ยานทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเพื่อช่วยอุปการะยานเหล่านี้ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อที่จะทรงข้อสัตว์เท่านั้นเอง ย, ยาน ความรู้ทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเพื่อสงเคราะห์ให้เหล่าสัตว์ได้ดิบได้ดีแต่ถ้าพระองค์ที่จะเอาดีนะอเอาแค่ดิบดีเอาเฉพาะตัวโรค อ, อย่างเดียวเนี่ยสอสงไขที่แล้วฉนันชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอสงสี่อสงไขแสนกลับทั้งหมดจึงเป็นชีวิตเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีทุกอย่างเพื่อช่วยสงเคราะห์สัตว์นั่นแหละ ผู้ใดศึกษาสุตตานิบาตหรือคัมภีร์มหานิเทศจะมีพระพุทธเจ้าสององค์เทศอีกองค์หนึ่งเรียกว่าพ er ุทธเนรมิตรอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าสัตว์จะบรรลุได้เพราะพระพุทธเจ้าสมนทนาการสององค์พระองค์ก็จะเนรมิตรให้พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งถามตอบถามตอบกันแล้วสัตว์บรรลุพง์ก็เอาหรือจะบรรลุเพราะแสดงยมกปาฏิหารพรองก็เอาแต่ถ้าไม่บรรลุนะให้ทํายังไงก็ไม่ทําทักอย่าง ถ้าไม่เกี่ยวกับการบรรลุของพระองค์อยังไม่ทำเลยถ้าไม่เกี่ยวกับการได้ดิบได้ดีของสัตว์แต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อสัตว์จะตรัสรู้นะเดินทางรอนเรมแล้วก็อักเลือดด้วยก็ไปถ้าสัตว์จะได้ตรัสรู้ทำตรงนี้สามารถไปศึกษาได้ในมหาปรินิพานสูตรไปเพื่อปรินิพานที่กุศินาราเพื่อที่จะประดสงเคราะห์สุภาาัถะสงเคราะห์สุภาาัถะ เพื่อที่จะประกาศไอ้เมืองกุศินาราว่าเป็นเมืองที่ไม่ใช่ธรรมดาเพื่อที่จะทรงแสดงพระธรรมอีกลายหมดอั้นพระ อ, องค์นั้นมีพระสัพพัญยุตยานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระ อ, องค์ไม่รู้นั่นแหละอั้นพระ อ, องค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระ อ, องค์บอกเหมือนเข้าเข้าไปในป่าปะดูลายป่าประดูลายเนี่ยเป็นป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลมากพระ อ, องค์ก็กำบ่ายปะดูลายขึ้นมาในกำเดียวบอกว่า ความรู้ของพระ อ, องค์เนี่ยอุปมาก็เหมือนกับใบไม้ในป่าทั้งหมดแต่ที่พระ อ, องค์เอามาแสดงเนี่ยเท่าใบไม้เนี่ยกรรมมือถามว่าทำไมพระ อ, องค์จึงแสดงแค่นั้นเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วที่สัตว์จะบรรลุอริยสัจและอีกพระ อ, องค์กล่าวกับพระนนทบอกว่าไม่มีอะไรในกรรมมืออาจารย์คือหมายความว่าคำสอนที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเนี่ยมีอยู่เท่านี้แหละนะ คำสอนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เท่านี้จริงๆที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรผลในพานและอีกอย่างหนึ่งนะความรู้ท้าธรรมดาทั่วไปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินทัพธรรม ท, ที่พระองค์ทรงมาแสดงเหมือนกับฝุ่นในเล็บก็คือเอาเล็บเนี่ยช้อนเข้าไปในฝุ่นก็มีฝุ่นติดเล็บขึ้นมาพระองค์บอกว่าที่พระองค์แสดงเนี่ยเท่ากับฝุ่นในเล็บเท่านั้นเองแต่คําสอนที่เป็นไปเพื่อบรรลุอริยสัจไม่มีนอกจากนี้แล้ว พงศ์บอกว่าไม่มีในกรรมเมืออาจารย์ที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์แล้วการเป็นพระพุทธเจ้าของอการเป็นพระพุทธเจ้านั้นอ่ะมีสัพพัญยุตยานเป็นประทาฐานเป็นเหตุใกล้ของพระสัพพัญยูอ่าเป็นเหตุใกล้ของความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าสัตว์ทั่วไปนะก็เรียกว่าพุทโธเหมือนกันแต่เป็นพุทธะหรือพุทโธก็อันเดียวกันแต่เป็นสาว ก, กะสาวกก็คือรู้แบบฟังมา นั่นแหละหรือรู้แบบเป็นพระปัจเจกอ่าทีนี้มาดูโดยพยัญชนะบ้างพุทธะโดยพยัญชนะเพิงทราบตามนายเมียที่อย่างนี้ว่าท่านผู้มีความรู้มีความตื่นแล้วโดยปราศจากความหลับคือกิเลสพร้อมทั้งวาสนาโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าพุทธะท่านมีความรู้คือรู้อะไรรู้ อริยสัจสี่ประการแล้วก็ไม่หลับปราศจากความหลับคือกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้หลับนี้ไม่มีแล้วเคยได้ยินนะบอกว่าคนแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้ายืนยืเดินนั่งนอนด้วยโลภะก็ชื่อว่าหลับยืนเดินนั่งนอนด้วยโทสะ ก, ก็ชื่อว่าหลับยืนเดินนั่งนอนด้วยโมหะก็ชื่อว่าหลับแต่พระพุทธเจ้ า, าเนี่ยไม่หลับแบบนั้นแล้วแล้วพระองค์ละทั้งวาสนาไอ้คาว่าวาสนาในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าส่วนบุญนะ วาสนาตรงนี้หมายถึงทางกายหรือทางวาจาที่ไม่ดีที่มีในการก่อน